ทีนี้ต่อไปว่าการที่สองหิมะวันกนกการหิมะวันณกการนี้เป็นกันที่ว่าด้วยพระนางมสตสีเนี่ยพูดถึงป่าโดยที่ตัวเองยังไม่เคยเห็นเลยนะก็บอกว่าพูดอย่างกับคนชํานาญป่าอย่างนั้นแหละนะเรื่องราวของกันนี้เริ่มต้นมีอยู่ว่าย้อนต่อไปพระนางผู้เสดีเทพกัญญาเนี่ยพอรับพรทั้งหลายดังนี้แล้วก็จุติจากดาวดึงสพิภพนั้นบังเกิดในครันของพระอัครามเมหสีของพระเจ้ามัทราชเนี่ยนะ ในเมืองนี้เป็นเมืองของหญิงงามเหมือนกันเถอะเมืองนี้นะชื่อดังมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันขนานพนามของพนางนั้นพญาทั้งหลายขนานพนามว่าผู้สีตามนามเดิมเพราะเมื่อพนางประสูตรมีสรีระราวกะว่าประพรมไปด้วยผงแก่นจันแดงแล้วก็ประสูตรเนี่ยนะผิวดูแดงมากก็เลยเรียกพนางพู้สีพนางผุ้ ส, สีราชธิดานั้นทรงเจริญด้วยบริวารใหญ่ในการมีพระชนมายุได้สิบหกปี ก็ได้เป็นผู้มีพระรูปอันอุดมเนี่ยนะปีก็งามมากครั้งนั้นพระเจ้าศรีวิมหาราชก็เลยนำพระนางภูสดเนี่ยมาเพื่อประโยชน์แก่พระเจ้าสัญชัยราชกุมารก็ยกฉัดให้แก่ราชโอรสแต่งงานเสร็จยกบ้านยกเมืองให้ปกครองเลยพระเั้ก็ให้นางผู้สดเนี่ยเป็นใหญ่กว่าเหล่านารี 16,000 พันเนี่ยนะแล้วก็ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมหสีของสันชัยราชโอรสเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า นางผูสดีนั้นจุติจากดาวดึงเทวโลกนั้นแล้วก็บังเกิดในขตัตยสกุลได้ทรงอยู่ร่วมกับด้วยพระเจ้าสันชัยในเชตุดรเ น, นี่ยนะก็สมปาถนาพระเจ้าสันชัยนี้ก็ใช่ใครอื่นที่ไหนหรอกก็พระเจ้าสุโทโธธนะของเรานั่นแหละหทีนี้ฝ่ายพระนางผูสดีเนี่ยก็ได้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของพระเจ้าสันชยัยครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชเมื่อทรงอาวัชนาการก็ทราบว่า บรรดาพรทั้ง10ประการที่เราให้แก่พระนางผุดสดีพร9ประการ น, นั้นสําเร็จแล้วเนี่ย น, นะก็คือเสร็จไปเยอะละจึงเลยคิดว่าอโอรสอันประเสริฐเป็นข้อหนึ่งยังไม่สําเร็จก่อนเราจะให้พร น, นั้นสําเร็จแกนางในการนั้นพระโพธิสัตว์นี้อยู่ในดาวบดึงเทวโลกเนี่ย น, นะก็ที่บําเพ็ญบุญน่ยนะมาเรื่อยเนี่ยก็ตอนนั้นอยู่ดาวบดึงทีนี้อายุของพระโพธิสัตว์ของเราก็จะสิ้นเหมือนกันเนี่ย น, นะ อยู่ดาววดึงมา36ล้านปีแล้วก็จะหมดอายุท้าวสากะก็รู้ถึงรู้รู้ว่ า, าพระโพธิสัตว์นี้จะจุติดก็เลยไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแนะ่ท่านผู้เนรทุกข์ควรที่ท่านจะไปสู่มนุสโลกควรจะถือปฏิสนธิในคันแห่งพระนางพุสดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีวิราชณนะกรุงเชตุดอนเนี่ยนะก็ไปลราชธนานั่นเอง ให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถือเอาปฏิญญาเนี่ยนะก็บอกว่ายังไงก็ช่วยไปเกิดหน่อยนะเงี้ยคล้ายๆกันลงไปช่วยงานช่วยอะไรกันอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไปขอร้องแล้วก็เหล่าเทพพระบุตรหกหมื่นก็จะจุติเหมือนกันเนี่ยนะก็ไปบอกให้ไปจุติรอบๆแถวๆนั้นนะเหมนแล้วก็กลับทิพพระวิมานของตนฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็จุติจากเทวโลกเกิดในพระคันแห่งพระนางผูสด เทพบุตรอีกหกหมืก็บังเกิดในเคหสถานแห่งอัมมาตหกหมื่นคนเนี่ยนะก็คือหมายเขาว่ารุ่นนี้นะก็สงสัยจะเรียกเรี้ยงรุ่นนะมั้งเนาะก็มีเป็นรุ่นรุ่นไปรุ่นใครก็รุ่นใครนะบางรุ่นก็อาจจะมีมากหน่อยบางรุ่นก็อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยนะทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในครันของพระมารดาพระนางผุสดีผู้มีพระคันเนี่ยนะก็ก็พอเกิดก็แพร่คันนะนะคนอื่นนี่แพร่คันนี่เป็นยังไงบ้าง พระเจ้าอาชาตศัตรูนะพออยู่ในคันมารดาเนี่ยพนางเวเทหิบุตรพระนางเวเทหิเนี่ยนึกอยากกินเลือดพระเจ้าพิมพิสารทันทีเลยนะแม่ถ้าได้เลือดพระเจ้าพิมพิสารกินนี้ท้องใสมันจะดีมากเลยนะนึกอยากกินแต่จะเลือดอนยะ่างนั้นในที่สุดอดทนทนไม่ได้ไปบอกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ดีเลือเกินเนี่ยนะกรีดเลือดให้หน่อยนะเอาไปผสมกับ น, น้ำดื่มไปเห็นไหมก็พวกอํามาศพยากรเลยว่าเจ้านี่แหละจะเกิดมาข่าวพ่อว่างนั้น น, นั้นเป็นเรียกว่าแพ้คันนะดื่มเลือดพ่อแล้วจึงหายก็หายเหมืนก้นคนอื่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะบางบางคนก็พอแพ้คันก็อยากกินโน่นกินนี่นะอยากกินข้าวของทั่วๆไปแต่ทีนี้พระนางพูสุดีแพ้คันนี่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือว่าเพราะพระโพธิสัตว์นี่อยู่ในคันของพระมารดาพระนางภู้สดีก็ทรงคันบอกว่าอยากจะสร้างโรงทานขึ้นสักหกแห่งเหนันนะ สร้างหแห่งคือที่ประตูเมืองเนี่ยสี่ประตูเนี่ยนะประตูโดยมากเมืองก็จะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมใชสี่เหลี่ยมก็จะมีประตูอยู่สประตูสร้างโรงทานเนี่ยสี่ประตูแล้วก็ที่ท่ามกลางเมืองอีกหนึ่งหนึ่งโรงแล้วก็ที่หน้าวังอีกโรงหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ต้องสละทรัพย์ด้วยวันละหกแสนเนี่ยนะสร้างโรงทาน6แห่งแล้วก็ให้ทานวันละหกแสนกรหาปณะทุกทุกวันแล้วก็บริจาคทานใจมันยากแต่เป็นอย่างนั้นแหละ ทีนี้พระเจ้าสัญชัยศรีวิราชเนี่ยนะคือคือก็เล่าให้สามีฟังก็รู้ความปรารถนาของนางก็เลยเรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้นิมิตมาทำสักการะก็ถามเนื้อความนั้นว่าเอ๊ะแพ้คันอย่างนี้มันเป็นยังไงว่า ง, งั้นเถอะพราหมณ์ผู้รู้นิมิตทั้งหลายก็ทูลพยากรณ์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าท่านผู้ยินดียิ่งในทานมาอุบัติในคันของพระราชเทวี จะไม่อิ่มในฐานะบริจาคก็ว่าจะไม่อิ่มในการให้ว่างั้นเถอะคนชอบให้มาเกิดแล้วว่างั้นพระราชาพอได้ฟังคําพยากรณ์นั้นก็ดีใจเออลูกเรานี่ดีไหมมันชอบให้ทา น, า น, นก็เลยโปรดให้สร้างโรงทานนี่หกแห่งอย่างที่ว่าทันทีเลยนะสร้างโรงทานเลยสี่สสี่ประตูเมืองกลางเมืองอีกหนึ่งแห่งแล้วก็หน้าวังอีกแห่งหนึง่งนี่นะแล้วก็เริ่มตั้งโรงทานเลยนะ กโ็โรงละแสนโรงละแสนเนี่ยนะก็วันละหก0 0นหกแสนก็นหาปะนะไปจำเดิมแต่การที่พระโพธิสัตว์นี่ถือปฏิสนธิส่วนอากรของพระราชาเนี่ยเจริญขึ้นเหลือประมาณเนี่ยนะหมายคถาว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองนี่ดีหมดเลยนะทุกคนภาษีก็รายได้ก็เพิ่มมากแล้วก็พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าสรนชัยเนี่ยนะพระราชาทุกหัวเมืองเนี่ยนะส่งเครื่องบรรณาการมาให้หมดเลย เพราะฉะนั้นด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระโพธิสัตว์พระนางภูสดีราชเทวีก็มีบริวารใหญ่ทีนี้เมื่อพระคันเนี่ยนะอยู่ในคันเนี่ยสิบเดือนบริบูรณ์พอครบสิบเดือนก็มีพระประสงค์เนี่ยจะทอดพระเนตรพระนครเนี่ยนะเรียกว่าอยากจะชมเมืองว่างั้นเถอะอยากแบบพระพาท ช, ชมเมืองให้รอบก่อนก่อนเนี่ยนะ ก็เลยกราบทูลให้พระราชสวามีฟังพระเจ้าศิวิราชก็เลยสั่งให้แต่งพระนครเหมือนกับเมืองเทวดาเหมือนั้นให้พระราชเทวีเนี่ยนะส่งรถพระที่นั่งอันประเสริฐก็ทําประทักศิลพระนครทีนี้เมื่อพระนางเนี่ยไปถึงท่ามกลางถนนแห่งพวกพ่อค้าแสดงว่าถนนที่แหล่งค้าขายเลยนะลมกรมมัชวาดก็ปั่นป่วนขึ้นเนี่ยนะเกิดไปเรียกว่าจะคลอดในระหว่างอเที่ยวถนนกลางถนนนั่นแหละ ราชบรุษก็กราบทูลแก่พระราชาพระราชาทราบก็เลยทําให้ทําพลับพลาประสูตรแก่พระราชเทวีในท่ามกลางถนนแห่งพ่อเขาแล้วก็ล้อมวงเนี่ยนะก็คือเอาม่านมาตั้งพระนางผู้เสด็ก็ประสูตรณนะที่นั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปประสูตรโรงพยาบาลอะไรที่ไหนแล้วก็กลางถนนตรงนั้นนหะก็สมัยนั้นไม่มีรถให้ติดอยู่แล้วนะครับสมัยนี้ก็ประสูตรตรงนั้นเนี่ยรถติดตายเลยนี่ก็ไม่มีรถติดแล้วแบบนั้น พระนางพุสดีเนี่ยนะทรงคันเนี่ยครบท่วนทศมาศเมื่อทำปทักษิณพระนครประสูตรเราในท่ามกลางวิถีแห่งพ่อค้าทั้งหลายอันนี้พุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนะว่าเราเนี่ยคลอดตอนที่ปทักษินพระนครนะปะทักษินก็เวียนขวาพระนครนั่นเองเ น, นะพระมหาสัตวประสูตจากคันแห่งพระมารดาก็เป็นผู้มีบริสุทธิ์ลืมพระเนตรออกมาเนี่ยนะก็พอคลอดแล้วก็ลืมตาเลย เมื่อออกมาก็เหยียดประหัด ต, ต่อพระมารดาตรัสว่าเนี่ย น, นะคลอดมาแล้วพูดได้นะไอ้ตรงนี้แหละที่เขาไม่ค่อยเชื่อพระพุทธ ศ, ศาสนาคนเ็าปฏิเสธมากมายก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี่มันจะมีคนที่ไหนก็บอกว่าคลอดมาแล้วพูดได้คว่างั้ น, น, นนะก็ก็มีอยู่คนเดียวก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ย น, นะเราก็อย่าไปเอาของเราไปเทียบกับพระองค์ท่านสิ น, นนะก็บอกว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันจักบริจาคทาน มีทรัพย์อะไรอะไรบ้างนะขอสตังแม่ให้ทานทันทีเลยนะคลอดออกมาเนี่ยนะก็ถ้าจะว่าไปนะแม่ก็ขอพรมาจากขอลูกแบบนี้อยู่แล้วนะตอนที่แม่จะจุติมาเนี่ยจะเกิดมาเพื่อจะอยากได้ลูกแบบนี้อยู่แล้วนะเหมืนพอมีลูกแบบนี้คลอดออกมาบอกแม่แม่มีทรัพย์อะไรจะให้ทานบ้างวนะ่างั้นครั้งนั้นพนางชนนีเนี่ยนะก็เป็นชนนีแล้วก็บอกว่า พ่อจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพ่อเถิดแล้วก็วางถุงทรัพย์กระหาปณะพันหนึ่งในพระหัตที่แบะอยู่นะก็ไปวางใกล้ๆพันหนึ่งเลยนะลูกให้เลยลูกอ่างนั้นเต็มที่เลยก็กระคอกระสมัยเนี่ยนะก็คลอดออกมาแม่หนูอยากใส่บาตรอ็ใส่เลยลูกอย่างนี้มาก็ถ้าเปรียบเปรียบแบบเราๆนะก็คือเป็นเด็กเกิดมาอยากใส่บาตรอย่างเดียววย่างนั้นทีนี้พระโพธิสัตว์พอประสูติแล้วก็ตัดกับพระมารดาเนี่ยมีอยู่สามชาติด้วยกัน เนี่ยนะที่คลอดมาแล้วพูดกับแม่ได้เลยนะชาติหนึ่งก็คือในอุมมังคชาดกคือชาติที่เป็นมโหสถชาติที่เป็นมโหสถนั้นพอคลอดออกมาก็พอคลอดเสร็จนะท้าวสากะก็มาวางยาเนี่ยเอาไว้ในมือแม่เห็นอา้าวถือยานี่ลูกถืออะไรมาด้วยบอกว่ยาแม่บางงั้นก็เลยเอาไปฝนให้พ่อกินซึ่งหรือเสตีนั้นนะเป็นโรคปวดศีรษะมานานพอฝนกินก็หายเนี่ยนะ ก็เรีย ว, วมโหสถก็ถือโอสถนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องยาอีกชาติหนึ่งที่คลอดมาแล้วพูดได้ก็คือชาติที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยนะพอคลอดออกมาแล้วก็บอกว่าคือเดินเจ็ดเก้าเสร็จก็ตรวจดูโลกเนี่ยนะคือดูทิศ ท, ทั้งสิบทิศแล้วก็เดินไปทิศเหนือเดินเจ็ดเก้าเนี่ยแล้วก็แปลงว่าเราเป็นผู้ ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ได้มีสำนวนเหมือนกับว่าปัจเจกขณะยามที่19เกิดขึ้นทันทีเลยนะพยากรณ์เลยอย่างนั้นเนี่ยนะก็อีกชาติหนึ่งส่วนชาติที่เป็นพระเวสสันดร น, นี่ก็คลอดออกมาก็ขอสตังแม่บริจาคทานนอ ในครั้งนั้นในวันถวายพระนามพระโพธิสัตว์พระประยุรญาตทั้งหลายก็ขยายพระนามว่าพระเวสสันดรเพราะประสูตรในถนนแห่งพ่อค้าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าชื่อของเราไม่ได้เกิดแต่พระมารดาไม่ได้เกิดแต่พระบิดาปกติในการเรียกชื่อก็จะตั้ง เ, เพี้ยนเพี้ยนกับพ่อบ้างบางคนก็เพียเพ้ยนเพียนกับแม่ใช่ไหมแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นบอกเราเกิดที่ถนนพ่อค้าเพราะเหตุนั้นเราจึงชื่อว่า เวสันดอนเนี่ยนะก็คือเกิดในระหว่างถนนพ่อค้านั่นเองก็ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติช้างพังเชือกหนึ่งคือแม่ช้างเชือกหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเที่ยวไปได้ในอากาศก็แสดงว่าช้างตระกูลอุโบสดน่นะนําลูกช้างขาวทั้งตัวรู้กันว่าเป็นมงคลยิ่งมาก็สถิตในสถานที่เป็นมงคลหัตถีแล้วก็หลีกไปเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็เลยเรียกชื่อช้างเชือกนั้นว่าปัจจยนา เพราะช้างนั้นเกิดขึ้นเพราะมีพระมหาสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยก็มีพระโพธิสัตว์นี่เป็นปัจจัยใช่หมก็เลยเรียกว่าปัจจัยยันนกเนี่ยนะก็จับงำไว้นะเนี่ยช้างกว่าเหตุของปัญหาก็จะมาณจุดเนี่ยนะพระราชาก็พระราชทานนางนมเ น, นี่ยนะหกสิบสี่นางผู้เว้นจากโทษสูงเกินไปเป็นต้นมีถันไม่ยานมีน้านมหวานแก่พระโพธิสัตว์ บอกว่าทั่วๆไปนะเขาจะบอกว่าแม่นมที่เขาให้เลี้ยงเด็กหนึ่งเขาก็ต้องเว้นผู้หญิงที่มีโทษ9้าอย่างบอก1สูงนักเนี่ยนะก็สูงเกินไปก็ไม่เอาสองเตี้ยนักก็ไม่เอาสามผอมนักก็ไม่เอา4อ้วนนักก็ไม่เอาเนี่ยนะห้าดำนักก็ไม่เอาหกขาวนักก็ไม่เอา7จ็ดยานก็ไม่เอา8ดก็ไม่มีโรคไอเ้าไม่มีโรคหืดเนี่ยนะก็พวกนี้ที่จะเป็นแม่นมได้ก็ต้องคัดอย่างนี้ออกไปใน ถ้าเตมีใบ้อะนะพูดไว้ถึงถึงเอแม่นมที่ที่เขาคัดออกเนี่ยนะพวกนี้จะแล้วพูดเหตุผลด้วยถ้าสูงเกินไปเนี่ยนะเด็กมันก็จะคอยืดนะเวลาดูดนมก็ว่างนั้นถ้าเตี้ยเกินไปนะเด็กมันก็โอ้โห่างนันก็มันทรมาร ก, ก็จะเอาแต่พอดีพอดีอด่างนั้น <c ups> คัดได้แมก้กระทั่งแม่นมนะคนในบุญเนี่ย <c ups> ทีนี้อืม เสร็จแล้วก็ให้แม่นมเนี่ยคนหนึ่งหนึ่งไปเลี้ยงทารกเนี่ยนะกห0 0คนผู้เป็นสหาชาติกับพระโพธิสัตว์เพราะว่ามีเด็กที่คลอดมาด้วยนี่0 0คนที่เป็นบุตรอมากเนี่ยนะรอบเมืองทั้งหมดเนี่ยพระโพธิสัตว์นั้นเจริญด้วยบริวารใหญ่พร้อมด้วยทารก6 0 0 0ืมันเพื่อนเล่นนี่ทั้ง6ก0 0 0เลยนะครั้งนั้นพระราชาก็ทำเครื่องประดับสำหรับพระราชกุมารเนี่ยราคาแสนหนึ่งพระราชทานแด่พระเวสสันดรราชกุมาร พระกุมารนั้นก็พอใช้เครื่องประดับใช่ไหมเขาสวมให้เปลืองพอใช้ประยาหนึ่งก็เปลืองเครื่องประดับนั้นประทานให้แก่แม่นมเมื่ออายุสี่หปีเนี่ยนะนะคะแสนหนึ่งเปลือกให้แม่นมไปเก็บเสร็จ แ, แล้วพอแม่นมถวายคืนบอกไม่เอาแล้วให้ละแบบนั้นเพราะเครื่องประดับที่แม่นมทั้งหลายถวายคืนก็ไม่เอานางนมเหล่านั้นก็กราบทูลเหตุการณ์นั้นแด่พระราชาพระราชาก็รู้ถึงเหตุการณ์อ น, นั้นก็เลย ทำเครื่องประดับอื่นอีกให้เห็นบอกว่าเออของไหนที่ลูกเราให้แล้วอันนั้นก็จงถือว่าเป็นการให้ด้วยดีเป็นพรหมไทยเนี่ยนะก็ราชกุมารท่านประสงค์จะให้ก็เอาให้ไปเลยแม่แม่เอาคืนละเนี่ยนะฝั่งก็ทําเครื่องประดับใหม่ให้ลูกอีกพระราชกุมาร น, นั้นก็ได้เครื่องประดับก็เอานะถ อ, ถอดยกให้เขาไหนถือเอาก็เอาไปเลยเก้าครั้งด้วยกันเนี่ยนะเพราะเครื่องประดับก็หมดไปเก้าแสนนะเนี่ยนะเก้าครั้ง ทีนี้พอโตมาหน่อยอายุประมาณแปดขวบเนี่ยนะอายุแปดปีพระชกุมารนี่ก็เสด็จขึ้นสู่ประสาทอันประเสริฐประทับนั่งบนพระยี่หูเนี่ยนะก็ให้นั่นอนนั่งขัสมาที่บนเตียงอย่างดีเลยนะก็เลยคิดว่าเอเรานี่ให้ทานภายนอกอย่างเดียวทานนั้นไม่ยังใจของเราให้ยินดี น, น, นะนะเอไม่อิ่มใจเลยนะมันมัวแต่ให้ของแต่ข้างนอ ก, ก น, นะมันไม่ค่อยอิ่มใจเลย เรานี่ใครจะให้ทานในภายในก็ตั้งเลยว่าถ้าแม้ว่าใครๆเนี่ยพึงขอหะไทยของเราเราเนี่จะพึงผ่าอุระประเทศคือผ่าอกเนี่ยนมหัตไทยออกให้แก่ผู้นั้นคือถ้าใครจะขอหัวใจเนี่ยจะผ่าอกให้เลยมั้งก็ อ, อย่างที่สองก็บอกถ้าเขาขอจักรสุทั้งหลายของเราเราจะควักจักรสุให้อ่า น, นะแล้วไอ้ที่ควักให้นี่มีจริงนะไม่ใช่ว่าเอามามา เขียนเโชนะสมัยที่เป็นพระเจ้าสีวิราชเองเนี่ยนะก็ควักดวงตาให้พรามเขามาขอข้างหนึ่งควักให้สองข้างเล ย, ยนนขนาดเป็นพระราชานะีแล้วก็ถ้าเขามาขอเนื้อในสรีระของเราเราจะเชื่อเนื้อแต่สรีระทั้งสิ้นใหนน้ถ้าขอเนื้อก็จะแล่เนื้อให้เหมือนกันถ้าแม้ว่าใครๆพึงขอเลือดกับเราเราก็จะพึงเอาเลือดให้หรือว่าถ้าใครๆ เพิ่งกล่าวกับเราว่าท่านจงเป็นทาสของข้าเราก็จะยินดียอมเป็นทาสแห่งผู้นั้นเนี่ยนะอันนี้แปดขวบนี้คิดแบบนี้เลยนะคิดในใจว่าจะต้องทำอย่างนี้เมื่อพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์นั่งคำหนึ่งถึงทานที่เป็นไปในภายในความดำริแล่นไปในขณะนั้นนั่นเองอย่างนี้อันนี้คิดจริงนะไม่ใช่ว่าแสงคิดตั้งใจคิดแบบนั้นจริงๆแล้วจะให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วย เสร็จแล้วพอความคิดอันนี้มหาปัตตภีอันหนา 240,000 มืยอดก็ดังสนั่นวันไว้ดุดช้างตัวประเสริฐตกมันอาวาดคำรามร้องฉะนั้นเขาเิน่รุราชก็โอนไปมามีหน้าเฉพาะพระเชตุดอนครตั้งอยู่ดุดหน่อไว้โอนเอ็นไปมาฉะนั้นฟ้าขนองลั่นตามเสียงแห่งปัตต ภ, ภียังฝนลูกเห็บให้ตกสายอาศนีเนี่ยนะคือสายฟ้าในม่ใช่สมัยก็เกิด แสงเนี่ยนะแวบวาบขึ้นสาครคือทะเลก็ปั่นป่วนไปหมดเท้าส ก, กะเทวราชก็ปรบมือเนี่ยนะตบพระหัตพรมก็สาธุกการเสียงกูลาหนได้มีเป็นอันเดียวกันตลอดจนถึงพรมมาโลกเนี่ยนะคื อ, ค, อคือพวกที่รู้นะพวกที่เทวดาทั้งหลายที่รู้วาราจิตพ อ, อพระเวสสันดรกุมารเนี่ยอายุแปดขวบคิดอย่างนี้ก็แผ่นดินไหวก็อนุโมทนากันใหญ่ดังที่พระ อ, องค์ตรัสว่า การเมื่อเราเป็นทารกเกิดมาได้แปดปีเรานั่งอยู่บนปราศาสคิดเพื่อจะบริจาคทานว่าเรานี้พึงให้หัวใจดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายคือเอาไปเป็นธาตุนะถ้าใครขอกับเราเราให้ได้เราพึงให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคอันเป็นความจริงใจของเราก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้น แผ่นดินซึ่งมีเขาเซเนรุกและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็หวันไหวเนี่ยนะบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะก็บอกว่าพอคิดอย่างนี้เสร็จแล้วแผ่นดินไหวเลยเนี่ยนะเพราะสิ่งที่คิดเนี่ยคิดจริงเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้เสแสร้งไม่ได้อะไรเพราะตั้งใจแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะด้วยความสงบจิตตั้งมั่นเนี่ยนะปกติแล้วเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะมีอยู่หกอย่างด้วยกันเนี่ยนะเหตุแผ่นดินไหวอย่างที่หนึ่งก็ธาตุกำเริบคือธาตุตาม ผู้ทพจน์หรือตามคําสอนของเราเนี่ยถือว่าแผ่นดินนี้ตั้งอยู่บนน้ําน้ํานี่ตั้งอยู่บนลมเนี่ยนะลมนี่ตั้งอยู่บนอากาศเนี่ยนะ ล, ลมนี่ตั้งอยู่บนอากาศอัจฉริกาศเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าลมเกิดกําเริบขึ้นน้ําก็หวั่นไหวถ้าน้ําหวั่นไหวแผ่นดินก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเหตุข้อที่หนึ่งที่ทําให้แผ่นดินไหวเนี่ยนะ แม้แต่เสียงฟ้าผ่าเนี่ยทางทางทางคำสอนของเราถือว่าเกิดจากลมมันเสียดสีกันนี่นะที่ที่ฟ้าผ่านะอันนี้ข้อแรกก่อนนะแผ่นดินไหวเพราะาธาตุกาเริบอย่างที่สองผู้มีฤทธ์ก็ทําได้เนี่ยนะผู้มีฤทธ์ก็ทําให้แผ่นดินไหวได้อย่างที่สามทั่วไปก็คือเนี่ยพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเกิดในครันก็แผ่นดินไหว น, นะตอนที่พระองค์ประสูติก็แผ่นดินไหวตรัสรู้ก็แผ่นดินไหวปลงมายุสังขารก็ แผ่นดินไหวดับขานปริณิพานก็แผ่นดินไหวแต่นี้นั่นคือปกติที่ทําให้แผ่นดินไหวแต่แผ่นดินไว้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษซึ่งที่พระนาคเกษคุยกับพระเจ้ามิลินอะนะว่าพ่ อ, องเคยได้ยินไหมว่าใครให้ทานแผ่นดินไหวแบบนี้บ้างในตลอดระยะเวลาหล่ยๆกลับหล่ย์โกรธปีเนี่ยนะเคยได้ยินไหมว่าว่าใครให้ทานแบบนี้แล้วแผ่นดินไหวไม่มีหรอก อันนี้อยู่ที่คุณธรรมหรือน้ำใจของพระเวสสันดรว่าท่านมีน้ำใจเช่นนั้นจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าตั้งคำถามว่าน้ำใจของพระเวสสันดรเนี่ยปกตินี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าแสดงตาม อ, อ, อัตกถามิลินทปัญหาได้กล่าวไว้ว่าน้ำพระทัยหรือน้ำใจของพระเวสสันดรเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปด้วยอานาจตราคะเนี่ยนะราคะไม่ฉาบทา โทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสอากุศลวิตกไม่มีกับท่านไอความคิดของท่านที่เป็นไปกับอากุศลวิตกไม่มีอารติเนี่ยนะไม่ยินดีในการเจริญกุศลไม่มีเลยสำหรับท่านเนี่ยนะสำนวนว่าไม่มีเวลาไหนที่บอกบุญไม่รับเนี่ยนะไม่มีมีแต่ว่าใจพร้อมเป็นไปกับบุญเสมอแต่ถ้าว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยย่อมไปมากด้วยอานาจแห่งคานทรงตั้งใจไว้เฉพาะว่าจะให ให้ทานเนี่ยเป็นประจำสม่าเสมอความคิดมีแต่คิดจะให้เพราะฉะนั้นเวลาท่านคิดท่านจะคิดว่าช น, น, นานะคนผู้ขอคื อ, อยาจกที่ยังไม่มาชหนายพึงมาในสำนักของเราเนอเนี่ยนะบอกว่าเพื่ยพอยาจกที่ยังไม่มาก็ชนานอะเพื่นนยพอยาจกจะได้มาอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งบอกคนทั้งหลายผู้ขอคื อ, อยาจกที่มาถึงแล้วชห น, นจะได้ของตามที่เขาต้องการจนเขาพอใจเนี่ยนะ เขาต้องการสิ่งใดก็ขอให้เขาได้สิ่งนั้นนั้นจนพอใจทีนี้ตั้งคําถามว่าทําไมอัธยาศัยถึงท่านเป็นแบบนั้นถามว่าตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีอัธยาศัยแบบนี้ไหมอ่ะนะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยแบบนี้และเป็นพระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์มีความคิดว่าฉันไหนเนาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้อรหัตผลเนี่ยนะ เขาควรได้อนาคามีผลเขาควรได้สกทาคามีผลเขาควรได้ทศดาบันเขาควรตั้งแต่ไตรสารณคมขึ้นไปนะมีแต่คิดจะให้อย่างเดียวเนี่ยนะคือซึ่งแ ม, แม้กระทั่งโดยที่สุดเขาใส่บาตรการใส่บาตรต่อพระพุทธเจ้าผู้มีคุณหาประมาณไม่ได้อันนั้นก็ถือว่าสิ่งที่เขาควรได้เพราะฉะนั้นแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตที่คิดจะให้มีอยู่ตลอดฉะไหนเขาควรได้ฉะไหนเขาควรได้ เช่นว่าใครที่ควรจะได้โสดาปฏิผลไกลขนาดไหนก็ไปให้เขาใครที่ควรจะได้อนาคามีผลอรหัตผลเนี่ยนะดวนได้บรรลุ ค, คุณธรรมต่างๆที่พระองค์ให้ได้พระองค์จะให้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะตามแต่ความต้องการของของบริษัทนั้นๆตามบุคคลนั้นๆว่าเขาควรได้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าและใจที่คิดจะให้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็ใจที่จะให้ตลอดเวลาตามสมควร เพราะฉะนั้นเรียกว่าสะสมอัธยาศัยของการให้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วต่อยิ่งเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งให้มากกว่าธรรมดาเนี่ยนะถามว่าให้อะไรบ้างพระองค์ให้โสดาปฏิผลแก่สัตว์นิหาประมาณไม่ได้ให้สกตะทาคามีผลให้อนาคามีผลให้อรหัตผลเนี่ยนะแล้วก็ให้ผู้ที่ทําบุญแล้วเกิดในเทวโลกหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมผู้ที่ทําบุญในพระพุทธเจ้าและเกิดในสวรรค์ต่างๆนี้ถือว่าหาประมาณไม่ได้อันนั้นถือว่าเป็น ผู้ที่รับมรดกจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ให้หาประมาณไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าย้อนมาธรรมดาว่าใจของพระเวสสันดรเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่ประจำสม่าเสมอโดยฐานะสิบก็คือเช่นในความฝึกเนี่ยท่านยินดีในการฝึกเป็นผู้ที่มีใจสม่าเสมอมีใจในความอดกลั้นมีใจสำรวมและก็เป็นผู้ที่มีความยับยั้งชั่งใจเป็นผู้ที่มีกําหนดแน่นอน แล้วก็เป็นคนไม่โกรธเป็นคนไม่เบียดเบียนแล้วก็ใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในสัจจะแล้วก็เป็นจิตที่อยู่ในธรรมชาติที่สะอาดพระองค์นี้ละเลิกการสแสวงหากามใจที่ต้องการกามพระองค์ไม่มีใจที่ต้องการพบก็ไม่มีก็ขวนขวายอย่างเดียวคือสแสวงหาพรหมจันทร์พรหมจันท ร, ร์ในที่นี้ก็คือการให้เอาเอาชาตินี้ว่า ง, งั้นฉันจะให้เป็นหลักว่า ง, งั้นอะเรื่องเอิญก็ก็บุญเหมือนกันแต่ว่าเอาเรื่องให้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่เลิกละการรักษาตนถึงความขวนขวายรักษาแต่สักเนี่ยนะว่าคือพระองค์จะเดือดร้อนยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าแต่คิดว่าทํำยังไงคนอื่นเขาเขาจะได้เนี่ยนะปกติก็จะเจริญเมตตาในสัตว์ว่าสาัตว์เหล่านั้นพึงพร้อมเพียงกันพึงเป็นผู้ไม่มีโรคพึงเป็นผู้มีทรัพย์ฉนัยเนะาะสัตว์เหล่านั้นจะพึงมีอายุยืนเนี่ยนะเขา ทำยังไงเขาจะอายุยืนยังไงเขาจะได้ไม่มีโรคทํำยังไงเขาจะได้มีความสุขนะใจก็จะคิดแต่แบบนี้เขาควรได้อะไรเนี่ยนะถ้าเห็นหน้าใครและคนนี้ควรได้อะไรคนนั้นควรได้อะไรใจก็คิดแต่แบบนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ทานเนี่ยนะโดยมุ่งแต่สัพพัญยุตยานอย่างเดียวเท่านั้นคือท่านรู้นะว่าว่าท่านปรารถนาสัพพัญยุตยานไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไร เนี่ยนะที่ที่เกิดมานี่อย่าไปคิดว่าโอ้ี่เด็ก8ดขวบเกิดมาเริ่มจะรู้อะไรบ้างนะอย่าไปคิดสำนวนว่ายังไงยังไงก็อย่าเอาเราไปเป็นเครื่องวัดกับพระพระโพธิศัสน์เลยเพราะอะไรโดยเหตุผลทั่วๆไปท่านได้รับพุทธภรรยากรจากพระพุทธเจ้า24องค์แล้วเนี่ยนะทรงพระไตยปิฎกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเนี่ยนะเป็นท้าสักกะเป็นพรหมเป็นอะไรมาจนนับไม่ทั่วแล้วนะนับไม่วาดไม่ไว้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ว่ามันรอแต่จะว่าจะดับขันปันิจพบันเท่านั้นเองเนะเพราะฉะนั้นเรื่องการจุดมุ่งหมายปลายทางเป็นต้นนี่อัธยาสัยของพระ อ, องค์รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดรู้เรียกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแผ่นดินไว้ครั้งที่หนึ่งก็คงผ่านไปเนี่ยนะในภาคเช้านี้ก็คงสมควรกับเวลาก่อน ได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ได้คิดบริจาคกันนะตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอายุแปดขวบเลยว่าคือเมื่อเรายังเป็นทารกเกิดมาได้8ดปีเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะบริจาคทานว่าเราเพิ่งให้หัวใจดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายถ้าใครขอเราเนี่ยนะเราก็จะให้ได้คือถ้าขอให้ขอให้ได้ยินเถอะเราก็จะให้ ขอให้เอ่ยปากขอขออะไรก็ได้เราจะให้หมดเลยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะเมื่อเราคิดถึงการบริจาคอันเป็นความจริงใจของเราก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผ่นดินซึ่งมีภูเขาซิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็หวั่นไหวอันนี้ถือว่าแผ่นดินไหวครั้งที่ที่หนึ่งเนี่ยนะครั้งที่1คือคิดจะให้ทานแผ่นดินก็ไหวในการเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนทรรษาได้16ปี พระโพธิสัตว์ก็ได้ศึกษาศิลปะทั้งปวงเนี่ยนะก็คือจบวิชาที่มีเรียนอยู่ในสมัยนั้นทั้งหมดตอนอายุ16ปีครั้งนั้นพระราชบิดาก็ใคร่จะประทานราชสมบัติแก่พระโพธิสัตว์ก็เลยปรึกษาด้วยพระนางเจ้าผุ้เสด็ผู้เป็นมารดาเนี่ยนะก็เลยนํานางราชกัญญานามว่ามัสซีผู้เป็นราชธิดาของพระมาตุละแห่งมัทราชกุลคือพระนางผู้เสด็จริงๆก็มีพี่ชายอยู่ไนหะพี่ชายนี่ก็มีลูกสาวใช่ไหม ตัวนี้ทางนี้ก็นางผู้สดีก็ได้ลูกชายก็ไปขอลูกพี่ชายนั่นแหละที่เป็นลูกสาวพี่ชายนั่นแหละให้มาแต่งงานกันก็เท่ากับแต่งกับลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละก็เท่ากับพระเวสสันดร น, นั้นแต่งงานกับลูกลุงอ่ะนะพระนางมัตสีก็เป็นลูกลุงของพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะลูกของพี่ชายนางผู้สดีแล้วก็ให้ดำรงมั่นอยู่ในตำแหน่งอครมเหสีให้เป็นใหญ่กว่าสนมนารีเนี่ยนะหมพัน อภิเศกพระโพธิสัตว์ในราชสมบัตนะิอายุ16ปีก็ครองราชเลยนะแสดงว่าตระกูลนี้รักลูกมากกันนะพอลูกพออายุระดับหนึ่งก็ยกให้ลูกดูแลหมดเลยนะพระมหาสัตว์ทรงสละทรัพย์6แสนยังมหาฐานให้เป็นไปทุกๆวันนะจำเดิมแต่การที่ดำรงอยู่ในราชสมบัตนะิเป็นคนที่มีความสุขกับการให้ทานมากถ้าถ้ามองแบบเรื่องของความสุขนะคนนีจะชอบไม่เหมือนกันใช่ บางคนนี่ชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจนะก็จะไปเล่นกีฬามันจะหมดเท่าไหร่มันจะอะไรก็ช่างเถอะก็มีความสุขกับการเล่นกีฬานี่นะบางคนก็เหมือนกับว่าพวกมีความสุขกับการตีกอล์ฟเป็นต้นเนี่ยนะนี้ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์มีความสุขกับการให้ถ้าวันไหนได้ให้มากวันนั้นสุขมากให้น้อยวันนั้นก็สุขน้อยเนี่ยนะมีความสุขกับการให้จริงๆสมัยต่อมาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชโอรสเนี่ยนะพระญาติทั้งหลายก็รับ ราชกุมาร น, นั้นด้วยขายทองคําตอนคลอดเนี่ยนะก็ใช้ขายทองคำเนี่ยมารับมามาใช้ในการคลอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นจึงขนานพนามว่าชาลีราชกุมารคือใช้ขายชาลีนี่แปลว่าตะขายนะใช้ตะขายรองรับซะส่วนใหญ่แต่ข่ายใช้ด้วยทองคำเนี่ยนะก็เลยชื่อว่าชาลีกุมารพอพระราชกุมาร น, นั้นเดินได้ทนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาพระยาทั้งหลายก็รับ พระราชธิดานั้นด้วยหนังมีเนี่ยนะก็เลยเชื่อเรียกว่ากันหาชินาราชกุมารีเนี่ยนะใช้หนังมีรับมันนะใช้หนังมีรับตอนที่คลอดกันเลยเรียกกันกะัรหาชินาเนี่ยนะอาชินาเนีย่ยหมายถึงมีนั่นเองเนี่ยนะการหาก็ดำมนะ